หลวงพ่อครับลูกชายคนโตผมส่งไปเรียนที่อเมริกาเขาไปติดยาเสพติดที่โน่นผมจะทํำยังไงดีจะเอามาบวชอยู่กับหลวงพ่อให้เรียนฝึกสมาธิจะได้หายติดยาหลวงพ่อจะอนุญาตไหมครับคงไม่ได้หรอกโยมการฝึกสมาธิมีประโยชน์มากกว่าจริงแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะเรียนการฝึกสมาธิได้เสมอไปเพราะมันขึ้นอยู่กับบุญบา ร, รมีของแต่ละคน เท่าที่อาตมาได้วิจัยไว้ก็มีอยู่สองประเภทที่ไม่สามารถฝึกสมาธิได้คือคนเป็นโรคประสาทกับคนติดยาเสพติดหมายความว่าหลวงพ่อไม่ช่วยลูกดิฉันหรอคะได้โปรดกรุณาเถิดคะ่ะเรามีเงินทองมากมายถ้าหลวงพ่อช่วยได้จะให้เราสร้างอะไรให้กับวัดนี้เราจะทําให้ทุกอย่างขออย่างเดียวให้หลวงพ่อช่วยลูกเราด้วยประยาข้าบดีพูดเสียงเกลือ แม้จะตกแต่งร่างกายไว้อย่างสวยงามด้วยเสื้อผ้าอภรรราคาแพงหากดวงหน้าของหล่อนก็เศร้าหมองเพราะความทุกข์ทุกของคนที่เป็นแม่ซึ่งย่อมร้อนรอนโกรนกระวายเมื่อรู้ว่าลูกต้องประสบเพศภัยอันใหญ่หลวงความทุกข์ที่เงินร้อยล้านพันล้านไม่อาจจะช่วยขจัดปัดเป่าได้โยมอย่าตีความผิดสิโยมไม่ใช่อัตมาไม่ช่วย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 ไม่อาจนิ่งเป็นสมาธิได้เลยท่านอธิบายแล้วผมจะทำยังไงดีครับหลวงพ่อนี่ก็พาไปรักษาหมดเงินทองไปเป็นล้านๆพอออกจากโรงพยาบาลเขาก็ไปเสพอีกอาตมาว่าต้องตัดใจนะนึกซึว่ามันเป็นเวรเป็นกรรมของเขาถ้าป่วยไข้ธรรมดาหมออาจรักษาให้หายได้แต่ถ้าเป็นโรคเวรโรคกรรมไม่มีหมอที่ไหนช่วยได้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 จะได้รู้เองเห็นเองแต่ในเมื่อโยมขอร้องอธมาจะตรวจสอบให้ท่านช้เห็นหนอตรวจสอบก็ได้เห็นกฎแห่งกรรมของคนในครอบครัวนี้อย่างครบถ้วนการที่บุตรชายของข้าบดีผู้นี้ต้องติดยาเสพติดเป็นเรื่องของกรรมจัดขันข้าบดีที่นั่งอยู่ตรงหน้าท่านสร้างความร่ำรวยขึ้นมาด้วยการค้ายาเสพติดเขาเป็นสายส่งจากประเทศไทยไปขายอย่างประเทศสหรัฐอเมริกา แล้วบาปกรรมนั้นก็มาถึงตัวเขาโดยผ่านทางบุตรเขาทำให้ลูกคนอื่นต้องติดยาลูกเขาก็ปล่อยมารับกรรมไปด้วยเป็นเรื่องของกรรมจัดสรนโดยแท้โยมเรื่องมันร้ายแรงเกินกว่าที่อาตมาคิดไว้ร้ายแรงมากโยมจะอนุญาตให้อาตมาพูดหรือเปล่ามันเป็นความลับสุดยอดของโยมเลยนะเอาละอาตมาไม่พูดดีกว่าโยมตอบอาตมาซิว่า โยมมีอาชีพอะไรค้าขายครับขายอะไรช่วยบอกชื่อสินค้าที่ทำไรายได้ให้โยมถึงร้อยล้านพันล้านน่ะบอกสิก็พวกเสื้อผ้าผมมีโรงงานผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปส่งขายต่างประเทศข้าดีไม่ยอมพูดความจรงิงแต่มันไม่ตรงกับที่อัตมาตรวจสอบนะเรื่องเสื้อผ้าเป็นเพียงเครื่องแสดงให้เห็นว่าโยมมีอาชีพเท่านั้นแต่สิ่งที่ ทำเงินให้โยมเป็นพันล้านนั่นแนะไม่ใช่เสือ้อผ้าเอาเถอะถ้าไม่บอกก็ไม่เป็นไรแต่จงรู้ไว้เสียด้วยว่าถ้าโยมไม่เลิกกรรมก็จะตามมาถึงลูกชายอีกสามคนที่กำลังเรียนอยู่ที่กรุงเทพต่อไปเขาจะต้องติดยาตามพี่ชายเขาภรรยาข้าบดีร้องไห้โฮออกมาพร้อมกับสารภาพว่าใช่แล้วค่ะหลวงพ่อเฮียเขาค้าผงกิมเอง ฝ่ายสามีเรียกชื่อภรรยาด้วยเสียงที่ดังจนเกือบจะตะคอกหล่อนฟูมฟายน้ำตาบอกกับเขาว่าสารภาพกับท่านเยียเผื่อท่านจะช่วยเราได้เฮียอยากเห็นลูกๆเราตายอย่างทรมานหรือไงคำพูดของภรรยาทำให้ขหะบอดีคอตกไหนจะถูกภรรยาเปิดเผยความลับไหนจะห่วงอนาคตของลูกและที่กลัวมากที่สุดก็คือกลัวถูกฆ่าปิดปาก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 ก็ต้องถือว่าเป็นกรรมโยมอยากเลิกไม่ล่ะอาตมาก็พอมีทางช่วยนะเลิกไม่ได้หรอกครับหลวงพ่อถ้าผมเลิกก็ต้องตายแน่ๆเขาคงไม่ปล่อยให้ผมลอยนวลอยู่หรอกครับโยมตอบอาตมา ก, ก่อนว่าอยากเลิกหรือเปล่ารับรองว่าอาตมาช่วยได้แน่อยากครับแต่มันเป็นไปไม่ได้ผมมองไม่เห็นทางเลยเอาล่ะถ้าโยมตั้งใจว่าจะเลิกก็ขอให้เชื่ออาตมา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 พักผ่อนวัละสองชั่วโมงเป็นอย่างมากวันรุ่งขึ้นหลังจากฉันพัฒหารเช้าเสร็จแล้วท่านพระครูจึงเดินทางไปเยี่ยมมารดาของท่าแก่บัวเฮงที่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลบบุรีนายบัวเฮงนำท่านเข้าไปในห้องมารดา ซึ่งมีลูกหลานห้อมล้อมอยู่เต็มเห็นท่านมาพวกเขาก็พากันดีใจราวกับเทวดามาโปรดหลวงพ่อช่วยอีลวยช่วยให้อีพูด ก, กับลูกกัหลังหน่อยอีไม่ยอมพูดมาสามวันแล้วภรรยาของนายบัวเห็นบอกให้ท่านช่วยก็อีจะไปอยู่แล้วจะให้อีพูดอะไรอีกล่ะและทําไมจะต้องพูดด้วยท่านย้อนถามต้องพูดสิหลวงพ่อก็อียังไม่ไล่แบ่งสมบัต อียังไม่ไล่บอกว่านาจะยกให้ใครไล่จะยกให้ใครเงื่งในธนาคางจะยกให้ใครลูกสะพ้ายคงที่นอนแบบอยู่บนเตียงสาทยายท่านพระครูมองหน้าคนเจ็บก็รู้ว่ายัางพอพูดได้ท่านสมพานทําให้เขาพูดได้จริงครับหลวงพ่อยังไม่ได้แบ่งสมบัติให้พวกเราเกิดจะตายไปตอนนี้พวกพี่ๆน้องๆ คงวิวาทกันเพราะเรื่องสมบัติลูกชายคนรองซึ่งเป็นครูเห็นด้วยกับพี่สะพายผู้มาเยือนรู้สึกสลดใจแทนคนที่กําลังจะตายจึงพูดขึ้นว่าแม้อตมานึกว่าโยมห่วงคนเจ็บที่แท้ก็ห่วงสมบัตินี่เองโทษหลวงพ่อคะเรื่องเงินเรื่องทองมันไม่เข้าใครออกใครนะคะห่วงแม่พวกเราก็ห่วงแหละแต่ขณะเดียวกันเราก็ต้องห่วงตัวเองด้วย ถ้าแม่ตายหนูคงเดือดร้อนกว่าเพื่อนเพราะยังไม่ได้ทำงานเรียนก็ยังไม่จบลูกสาวคนสุดท้องพูดขึ้นพวกหลานๆซึงยังไม่รู้ประษีภาษาพากันวิ่งเล่นเป็นที่คลื่นเคลงท่านพระครูมองคนเจ็บอีกครั้งนอนตัวโตขนาดเท่านิ้วก้อยตายออกมาจากผ้าหม่มท่านนึกแปลกใจว่าคนป่วยยังไม่ทันตายแต่ทาไมมีนอน จึงบอกให้ในายบัวเฮงเลิกผ่าห่มขึ้นดูตายจริงเท่าแก่ทำไมปล่อยให้นอนขึ้นแม่อย่างนี้ละ่ะท่านพูดเชิงตำหนิเมื่อเห็นนอนตายย้วยเยะอยู่ที่ตัวผู้ป่วยไม่รู้มันมาได้ยังไงครับหลวงพ่อผมก็ช่วยเก็บทิ้งไปหลายตัวแล้วลูกชายที่เป็นครูพูดมั่งตายมาตางแผลข้างหลังนายบัวเฮงพูดพร้อมกับจับมารดาให้อยู่ในท่านอนตะแคง จริงดังที่เขาพูดแผ่นหลังบริเวณกระเบนเน็บเป็นแผลลึกจนถึงกระดูกหมูน้อนกำลังเจาะกินน้ำเลือดน้ำเหลืองกันยุบยาบไปหมดสภาพของคนเจ็บในเวลานี้ไม่ต่างไปจากซากศพที่ไม่ลมหายใจเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงอยากรู้ต้นสายปลาเหตุจึงกำหนดเห็นหนอแล้วก็ได้รู้ได้เห็นกฎแห่งกรรมของนางกิมหงอย่างจะแจ้ง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 เพื่อกันคนแอ บ, บฟังอาซิมอาตมารู้ว่าลือพูดได้แต่ที่ลือไม่พูดเพราะโกรธลูกหลานมาแย่งสมบัติกันต่อหน้าลือใช่ไหมใช่เลี้ยวหลวงพ่ออ้ว ก, กมังเกียกพวกมังทุกคงคนเจ็บพูดเสียงแหบพลาหากท่านก็ได้ยินชัดเจนเพราะกำหนดฟังนอซิมถ้าลือโกรธเกลียดพวกเขา หรือก็จะไปไม่ดีไหนๆจะไปแล้วก็ทำใจให้สบายแล้วก็จัดการอะไรต่อมิอะไรเสียให้เรียบร้อยรู้ตัวหรือเปล่าวันฤนาสะสมบาปกรรมไว้มากอาตมาเห็นหมดแล้วจึงอยากจะช่วยให้สติแก่ฤ อ, อยากให้อาตมาช่วยไหมท่านถามแม้จะรู้สึกสลดใจหากในความสลดใจนั้นมีความเมตตาปราณีแฝงอยู่ท่านจึงช่วยเขา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 เราลึกกรูบบาปกรรมที่ทำไว้ครบท่วนภาพเหตุการณ์และเรื่องราวต่างๆไหลเข้ามาสู่ห้วงสำนึกเหมือนภาพยนตร์ที่เขาฉายเร็วๆให้ดูเริ่มต่แต่ภาพแม่หนูน้อยวัยแปดขวบก ร, รทนันบัตใบละร้อยมาซื้อของที่ร้านของนางอาซิมซื้อข้าวเหนียวสามลิตรกล้วยน้ำว้าสองหวีมะพร้าวขูดสองกิโลน้าตาลทรายครึ่งกิโลแม่หนู อ่านรายละเอียดที่มารดาจดมาให้นางก็จัดของให้ตามรายการและทอนเงินให้เป็นที่เรียบร้อยบังเอิญแม่หนูหอบของไปไม่หมดจึงออกปากฝากข้าวของไว้แล้วก็คิวของอื่นๆกลับไปบ้านทันทีที่เด็กออกจากร้านนางก็คว้าถุงข้าวเหนียวมาเทกลับคืนไว้ในกระสอบครู่ให ญ, ใหญ่แม่หนูก็กลับมาทวงถามอาซิมหนูมาเอาเข้าวเหนียวที่ฝากไว้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 ตีจลายไปทั้งตัวเสร็จแล้วจึงซื้อข้าวเหนียวสามลิตรกลับไปบ้านเป็นข้าวเหนียวที่นางพิ่งเทคืนกระสอบนั่นเองถัดจากภาพนั้นเรื่องราวของเด็กหญิงก็เป็นภาพที่นางโกงกิโลพืชผลที่พวกชาวไร่นำมาขายโดยใช้เท้ายันเข่งไว้ขณะช่างด้วยตัดช่างทันยาวการกระทำเช่นนั้นทาให้นางสามารถโกงน้าหนักพืชผลได้ เข่งละประมาณถึงสามกิโลกรัมวันหนึ่งหนึ่งต้องช่างเป็นสิบสิบเข่งก็เท่ากับนางได้โกงเขาวันละ30ถึงหิบกิโลกรัมต่อจากเรื่องโกงกิโลก็เป็นเรื่องโกงดอกเบี้ยลูกนี้โดยทำหลักฐานปลอมขึ้นใช้สารพัดสารพันที่นางชอบโกงและชอฉนคงเป็นเพราะความชั่วร้ายของนางจึงทำให้ถูกหนอนกิน ท, ทั้งทั้งที่ยังไม่ทันตาย ไหนจะทุกเรื่องลูกหลานซึ่งบัดนี้นางได้ตระหนักแล้วว่าพวกเขาไม่ได้รักไม่ได้ห่วงนางแต่และคนรักและห่วงตัวเองทั้งนั้นคิดถึงตอนนี้นางยิ่งโกรธเคืองลูกหลานมากขึ้นจึงบอกท่านพระครูด้วยความเจ็บใจว่าหลวงพ่ออวยยกสงบักให้ลื้ทั้งหมกลือเอาไปให้หมกเลยนะอุ้ถาวายไม่ได้หรอกซิมอาตมารักไม่ได้ เพราะมันไม่ใช่ของบริสุทธิ์หรือได้มาโดยความทุจริตถ้าลืออยากได้บุญก็แบ่งให้ลูกหลานอย่างยุติธรรมก็แล้วกันประเดี๋ยวพวกเขาก็เข้ามาหรือจะบอกเขาว่าจะให้อะไรแก่ใครอาตมาจะเป็นพยานให้ว่าอยากคึงเขาคึงคงที่อ้วกงมังมานางบอกด้วยความกลัวบาปไม่ต้องทําอย่างนั้นก็ได้มันยุ่งยากเอาเถอะ เดี๋ยวอาตมาจะสอนให้ขออโหสิกรรมแล้วลือจะต้องสอนลูกสอนหลานว่าให้เลิกหากินในทางทุจริตช่วยกันทำบุญสุนทานและอุทิศส่วนกุศลไปให้หรือทำได้ไหมละ่ะท่านแนะแนวทางทำไล่ว่าทำไล่หลวงพ่อเรียกพวกเข้ามาอ่วจะไปเลี้ยวนางกิมหงพูดอย่างอยากจะละทิ้งสังขาร น, นั้นเส้วเร็วๆสมชาย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 ก็ต้องถูกน้องกินตั้งแต่ยังใหม่ตายแล้วจะรู้ว่ามังทอลำมังจิตหายเลยพูดจบนางก็หลับตาความเจ็บปวดและเมื่อยลา้ากลับคืนมาอีกนางพยายามนึกถึงดวงหน้าของท่านพระครูจนกระทั่งหมดลมหายใจเฮือกสุดท้าย เจ้งลูกหลานร้องตะเบงเยงแซ่เพิ่งจะมองเห็นคุณค่าของคนที่จากไปท่านพระครูต้องพูดปลอบใจอยู่หลายนาทีกว่าพวกเขาจะระ ง, งับความโศกาดูนไว้ได้เอาละ่ะเข้าไปดีแล้วหมดหน้าที่ของอาตมาแล้วจะได้ลากลับเสียทีเรื่องศพก็จัดการไปตามประเพณีก็แล้วกันที่สำคัญคืออย่าลืมทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ผู้ตายด้วยเขาจะได้ไม่ต้องไปรับโทษนาน ท่านแนะนำสั่งสอนเสร็จสับแล้วก็ลากลับเพราะจะต้องเข้าเมืองไปร่วมงานฉลองพัดยศของเจ้าคณะจังหวัดซึ่งจะเริ่มเวลา14นาฬิกาตรงหลวงพ่อถ้าผมไม่เห็นกับตาเป็นไม่ยอมเชื่อเด็ดขาดว่าคนถูกนอนขึ้นทั้งทั้งที่ทยังไม่ตายนี่ขนาดเห็นกับตายยังไม่อยากจะเชื่อผมฝันไปหรือเปล่าครับหลวงพ่อ นายสมชายแสดงความประหลาดใจพลางก็สัพพยอกท่านไปด้วยโลกนี้มันก็เหมือนกับความฝันอยู่แล้วสมชายบางครั้งคนบางคนก็สามารถฝันได้โดยไม่ต้องหลับเช่นเธอเป็นต้นต้นอะไรครับหลวงพ่อผมเป็นต้นอะไรต้นมะม่วงหรือว่าต้นมะปรางลูกศิษย์ตั้งใจยั่วอาจารย์เพื่อคลายความเครียด ภาพคนเจ็บถูกนอนใจ ย, ยังติดหูติดตาชวนให้เคลื่อนเหียนอาเกยนยิ่งนักไหนจะกลิ่นเหม็นคล้ายกลิ่นซากศพนั่นอีกล้าวต้นตะกูลยวนท่านพระครูตอบงั้นผมก็เป็นญาติกับหลวงพี่บวยเหียวนะสิครับเพราะว่าหลวงพี่เป็นยวนลูกศิษย์วัดไปได้เรื่อยเรื่อยมัวพูดมากอยู่นั่นแหละเร่งเครื่องหน่อยประเดี๋ยวจะไปไม่ทันงานเขาท่านกำชับ เยียบสองร้อยเลยดีไหมครับจะไปเอาที่ไหนอีกยี่สิบล่ะก็ที่เขาให้มามันแค่ร้อยแปดสิบเท่านั้นเองท่านหมายถึงหน้าปัดบอกอัตราความเร็วของรถก็เอาที่หลวงพ่อไงครับหลวงพ่อก็เพิ่มพลังจิตเข้ามาอีกยี่สิบรับรองว่าเร็วราวกับเหาะ อ, อย่าเพิ่งเลยฉันมันยังไม่อยากตายยังมีภาระที่จะต้องทำอีกมากถ้าเธอเบื่อชีวิต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 ของเจ้าคณะจังหวัดถูกจัดขึ้นอย่างมโหฬารโดยการร่วมแรงร่วมใจของบรรดาศิกธินุสิ์ซึ่งมีทั้งครูตำรวจทหารพ่อค้าประชาชนเมื่อไปถึงท่านพระครูจึงเข้าไปยังเต็นป์ประพิธีซึ่งจัดอาศนะไว้ต้อนรับสงฆ์ที่มาร่วมงานโดยเรียงตามลำดับอายุพรรษาท่านได้ที่นั่งติดกับหลวงตาสูงอายุรูปหนึ่ง ถัดจากท่านก็เป็นหลวงพ่อซึ่งแม้จะอายุมากกว่าหากอายุพรรษาน้อยเพราะบวชตอนอายุมากแล้วจำนวนพระสงฆ์ที่มาร่วมในพิธีทั้งหมด99รูปนั่งเรียงรายดูเหลืองอารามไปทั้งปลรมพิธีมีเต้นขนาดใหญ่ถึงไว้กว่าสิบหลังเพื่อให้บรรดาผู้มาร่วมงานได้นั่งฟังพระเจริญพระพุทธมนต์เหลือเวลาอีกหนึ่งนาที พระสง99รูปก็เจริญพระพุทธมนต์ท่านใดนั้นก็ได้เกิดลมบ้าหมูพัดกันโชกขึ้นความแรงของลมได้หอบเต็นหลังที่ติดกับประลัมพิธีขึ้นสูงสู่ระดับยอดไม้เสาเต็นซึ่งเป็นเหล็กแท่งยาวก็ได้หลุดออกพุ่งเข้าใส่ท่านพระครูถูกปากครึ่งจมูกครึ่งเลือดแดงฉานท่ามกลางความตกตะลึงงงงันของพระและคารวะที่เห็นเหตุการณ์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 เมื่อกําหนดเจ็บหนอเจ็บหนอกระทั่งจิตเป็นสมาธิสามารถข่มความเจ็บปวดลงบ้างแล้วกดแห่งกรรมก็ฉายแวบขึ้นในมโนทวารท่านเห็นตัวเองกําลังกวาดลานวัดพบไม้ท่อนหนึ่งวางเกะกะอยู่ก็จึงหยิบมันเหวี่ยงไปที่ใต้ต้นปีบโดยไม่ทันเห็นว่ามีสุนัขตัวหนึ่งนอนหลับอยู่ไม้ท่อนนั้นจึงไปถูกปากและจมูกของสุนัขเลือดไหลโสมมันดิ้นเร่า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 เขาไม่ต้องทุกทรมานกว่าท่านเป็นร้อยเท่าพันทวีลลึกเมื่อได้สติผู้คนก็เสียงเสียงเอะอะกันขึ้นโชคยังดีที่มีหมอทหารไปร่วมงาน <c oughs> เขาจึงจัดการทำแผลให้ท่านอย่างรวดเร็วด้วยความ ช, มนชมนานิชานาญและรู้สึกแปลกใจที่ท่านไม่ได้เป็นอะไรมากนะักนี่ถ้าหากเป็นคนอื่นก็คงจะต้องพาส่งโรงพยาบาลและรักษากันอยู่หลายวันล้มตา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 นายสมชายไปอยู่เซธิไดเพราะใกล้เวลาจะกลับแล้วจึงต้องพึ่งเห็นหนอก็เห็นคนขับรถของท่านยืนอยู่ข้างวงปรองยาวเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงรู้สึกแปลกใจที่หนึ่งในจำนวนหญิงกำลังร่ายรำอยู่อย่างสนุกสนานนั้นมีลักษณะแปลกไปจากคนอื่นๆกล่าวคือเหนือศรีษะของหล่อนมีมแมลงวันหัวเขียวฝูงใหญ่กาลังดินฉวดเฉวียนอยู่ ท่านเพ่งพิจารณาว่ามันเรื่องอะไรกันก็ได้เห็นกฎแห่งกรรมของหลอนอยันชัดเจนสตรีผู้นี้เป็นคนทุศีนสีนห้าข้อหลอนรักษาไว้ไม่ได้จนข้อเดียวท่านยังตั้งข้อสังเกตอีกว่าหน้าตาหลอนเหมือนคนใกล้ตายจริงอยู่แม่หลอนจะแต่งหน้าสวยงามนุ่งห่มสีสดใสหาก็มีสัญญาณมรณะปรากฏอยู่ และหล่อนก็ล้มลงศีรษะฟาดพื้นการรำกลองยาวหยุดชะงักพวกเขาช่วยกันอุ้มหล่อนมาวางบนเสือและสิ่งอัศจรรย์ที่สุดก็ได้เกิดขึ้นนอนตัวเท่าเม็ดข้าวสุกตายย้่วเย่ออกมาจากปากจมูกทวารหนักและทวารเบาร่างกายของหล่อนเน่าเดี๋ยวนั้นส่งกลิ่นเหม็นครุ้งมาถึงที่ที่ท่านนั่งเสียงคนวิภาควิจารณ์กันเซงแซ่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 ท่านพระครูเรียกชื่อลูกศิษย์ครับผมไฟนั้นขานรับเงียบเธอสิ่งที่เธอรู้นะ่ะฉันรู้หมดแล้วแต่สิ่งที่ฉันรู้มันมีสิ่งที่เธอยังไม่รู้เธอนี่แย่จริงๆอ้าวหลวงพ่อไปไ ป, ไปมาไงามาด่าผมละ่ะจะไม่ให้ดา่ายังไงมัวแต่ไปดูกลองยาวไอเราจะตายกลับไม่รู้และอย่างนี้จะไม่ให้ด่าหรือ เกิดอะไรขึ้นล่ะครับหลวงพ่อถามอย่างตกใ จ, จเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงจึงได้เล่าเหตุการณ์ที่ท่านถูกสาวเหล็กพุ่งใส่หน้าให้เขาฟังพร้อมกับสรุปว่าวันนี้เธอเรียกว่าวันนอนแต่สำหรับฉันขอเรียกวันนี้ว่าวันใชหนีหมาและท่านก็หัวเราะหึๆดีแล้วล่ะครับหลวงพ่อใช้ใช้มันเสียให้หมดจะได้ไม่ต้องเกิดอีกก็หลวงพ่อ บอกว่าจะไม่เกิดอีกไม่ใช่หรอครับก็ว่าอย่างนั้นแหละแต่จะเป็นไปได้แค่ไหนยังไม่รู้มันก็น่าคิดนะสมชายนะดูเอาเถอะคนตั้งพันมันไม่เล่น ง, งานเฉพาะจะพุ่งมาถูกชั้นคนเดียวถูกอย่างเหมาะเหม๋งเสียด้วย ไปนี่ผมเห็นจะต้องกินยาแอสเพรเรนสักห้าสิบเม็ดนายสมชายพูดอย่างคนเบื่อโลกเต็มประดาร้อยเม็ดดีกว่าหน้าท่านพระครูตั้งใจพูดประชดทําไมต้องกินร้อยเม็ดล่ะครับถามอย่างสงสัยจะได้ตายสนิท ด, ดีไม่ต้องเสียวเวลาส่งโรงพยาบาลแม่หลวงพ่อผมพูดเล่นหรอกหน้าถึงผมจะเบื่อโลกยังไงผมก็ยังไม่อยากตายอยากอยู่มันทั้งเบื่อเบื่ออย่างนี้แหละ ไอ้ที่ว่าไม่อยากตายไม่อยากตายน่ะฉันเห็นตายมาสินักต่อ น, นักแล้วดูอย่างไายคนที่รํากลองยาวนั่นไงเธอว่าเขาอยากตายหรือเปล่าคงไม่มั่งครับแต่ก็ม่องไปแล้วแถมนอนขึ้นทันทีเลยแหมผมชักกลัวบาปกลัวกร้ำแล้วสิครับหลวงพ่อไม่อยากถูกหนอนกินเหมือนผู้หญิงสองรายนั่นเขาทําท่าขยาับดีแล้ว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 นายสมชายพาท่านพระครูกลับถึงวัดป่ามะม่วงเมื่อเวลาสิบเจ็นาิกาเศษที่กุติท่านพระโบวเียวกำลังสอนวิธีเดินจงกรมและนั่งสมาธิให้กับขะาบอดีและครอบครัวตามที่ท่านได้มอบหมายหน้าที่ให้เมื่อท่านเดินเข้ามาภิกษุรูปหนึ่งกลับคารวะห้าคนก็ทำความเคารพด้วยการกราบสามครั้งเจริญพรโยมาถึงนานแล้วหร คำถามข้าหัมบดีถึงสักบ่ายสองโมงเห็นจะได้ก็ไปเสียเวลากับการหาเสื้อชุดขาวนะครับหลวงพ่อข้าหมบดีตอบเขาอยู่ในชุดเสื้อผ้าค อ, อกรมสีขาวกางเกงขากล้วยสีเดียวกันภรรยาและลูกชายอีกสามคนก็แต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีขาวดูสะอาดหมดจดหลวงพ่อมาหนี่เหนื่อยนิมนต์นพักสงน้ําก่อนไม่ดีกว่าหรือคะนางกิมเองพูดขึ้น เมื่อเห็นท่านเดินมานั่งยังอาศนะวันนี้หน้าตาเนื้อตัวหล่อนปราศจากทั้งเครื่องสำอางและเครื่องประดับจึงดูผิดไปจากวันวานราวกับคนละคนมิมนุนหลวงพ่อส่งน้ำก่อนดีกว่าครับสามีนางกิมเองเห็นพ้องกับภรรยาไม่เป็นไรหรอกโยมเรื่องนั้นไม่สลักสำคัญอะไรอาตมาส่งน้ำตอนตีสองเกือบทุกวันและหลวงตาไม่หนาวแย่หรอครับ หลวงตามีที่นับน้ำอุ่นหรือเปล่าลูกชายคนเล็กของก้ามบอดีถามขึ้นไม่มีหลอกหนูหนาวก็ต้องทนเอาท่านตอบแล้วหลวงตาหิวไหมครับหลวงตาไม่ฉันข้าวเย็นไม่หิวแย่หรือเด็กหนุ่มถามอีกเพราะตัวเขาเริ่มจะหิวเนื่องจากใกล้เวลาอาหารเย็นแล้วไม่หิวหลอกหนูหลวงตาเช่นแล้วถามอย่างนี้แปลว่าหนูหิวแล้วใช่ไหม ท่านถามอย่างรู้ใจใช่ครับเด็กหนุ่มตอบตามตรงหิวก็ต้องทนนะหนูนะอดทนมากๆแล้วมันก็จะทินไปเองพี่ชายอีกสองคนที่นั่งฟังออกจะผิดหวังคิดว่าท่านจะอนุญาตให้รับประทานอาหารมื้อเย็นได้หลวงตาครับขอทานวันนี้วันเดียวไม่ได้หรอครับแล้วพรุ่งนี้พวกผมค่อยฝึกอดกัน คนตัวโตที่สุดต่อรองก็ฝึกซีวันนี้ไม่ดีกว่ารือ้อถ้ามัวผลัดพรุ่งนี้มันก็พรุ่งนี้อยู่เรื่อยๆการทําความดีไม่ต้องผลัดวันประกันพรุ่งนะหนูนะหลวงตาครับทําไมการทําความดีต้องอดข้าวด้วยล่ะครับอีกคนถามขึ้นเดี๋ยวก่อนหลวงตายังไม่รู้เลยว่าพวกหนูชื่ออะไรกันบ้างไหนบอกมาซิจะได้เรียกถูกเอาชื่อเล่นก็ได้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 อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดข้าบดีพูดปลอบใจภรรยาตัวเขาเองพอจะทำใจได้แล้วเกี่ยวกับเรื่องที่ลูกชายติดยาเสพติดเขาไม่ต้องการให้ลูกชายอีกสามคนดำเนินรอยตามพี่ชายจึงสู้อุตสาหพามาเข้ากรรมฐานทั้งที่โรงเรียนก็ยังไม่ทันปิดภาคลูกๆ ก, ก็เชื่อฟังเป็นอันดีหลวงตา ย, ยังไม่ได้ตอบผมเลยครับว่าทาไมการทาความดีต้องอดข้าวด้วย หนุ่มน้อยที่ชื่อต้อมถามอีกเดี๋ยวหนูตอบลงตามาก่อนซิว่าว่าคำสอนหลักของพระพุทธศาสนานั้นมีกี่ประการอะไรบ้างไม่ทราบครับพวกผมเรียนโรงเรียนคลิสตมาตลอดจึงไม่รู้เรื่องศาสนาพุทธเลยและสวดมนต์เป็นไหมสวดพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเคยสวดหรือเปล่าท่านถามคนเชิดต่อ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 จุดอ่อนของชาวพุทธเราก็อยู่ตรงนี้แหละคือศักดิ์แต่ว่าเป็นชาวพุทธแต่ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับาศาสนาที่ตนนับถือเลยแม้แต่สวดมนต์ก็ยังสวดไม่เป็นอาตมาไม่โทษลูกๆของโยมหรอกนะที่พวกเขาสวดไม่เป็นก็โยมไม่เคยสอนเขาเลยนิท่านโทษคนที่เป็นพ่อแม่ถ้าอย่างนั้นก็ไม่ใช่ความผิดของผมเหมือนกันครับเพราะเตียกับแม่ผมก็ไม่เคยสอนผมเหมือนกัน ข้าบดีโยนความผิดไปให้ปิดามารดาซึ่งในเวลานี้กำลังนอนอยู่ที่่วงซุยแม้ทะาเตียกับแม่ของโยมนั่งอยู่ตรงนี้ ก็คงพูดแบบเดียวกับโยมเหมือนกันจริงไหมท่านย้อนอย่างสุภาพจริงครับกล้าบอดียอมรับความจริงงั้นก็เอาละพูดไปก็ไม่มีทางยุติได้ฉะนั้นเราอย่ามามัวแต่ไปโยนความผิดให้คนอื่นต้องยอมรับอย่างน่าชื่นตาบานว่าความผิดมันอยู่ที่ตัวเรานี่แหละฉะนั้นต้องแก้ไขที่ตัวเราไม่ใช่ไปแก้ไขคนอื่นยอมเห็นด้วยไหม ท่านถามนางกิมเองเห็นด้วยค่ะและยมละ่ะเห็นด้วยกับที่อัฐมาพูดหรือเปล่าเห็นด้วยครับข้บดีตอบต้องเห็นด้วยสินึกว่าไม่เห็นด้วยจะได้ให้ไปเอาอา마าอากงจากวงซุยมาฝึกกันใหม่เอามาฝึกสวดมนต์นะหนูนะท่านหันไปพยักพเย์ยดกับลูกๆของนางเกิมเองเด็กหนุ่มทั้งสามพากันหัวเราะคิกคักเอาละ่ะ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 เพราะครูเขสอนอันนี้จะโทษเด็กก็ไม่ได้ต้องโทษผู้ใหญ่ที่ไม่ปลูกฝังในสิ่งที่ถูกต้องดีงามให้กับเด็กผู้ใหญ่สมัยนี้มักจะเป็นอย่างนี้กันมากเอาละ่ะก็คงจะพอเข้าใจกันบ้างแล้วต่อไปนี้เราจะแก้ไขกันใช่ไหม่นะเราจะต้องสวดมนต์ให้เป็นไม่อยู่วัดนี้ต้องสวดมนต์ทุกวันทุกวันวันละสองครั้งเรียกวัดธรรมวัดเช้า ทำวัดเย็นทีนี้เราก็จะมาพูดกันถึงหลักคำสอนสำคัญของพระพุทธศาสนาท่านหันไปพูดกับพระบวัวเหียวว่าอาจารย์บวัวเหียวนั่งฟังมานานแล้วไหนลองบอกลูกศิษย์หน่อยสิว่าหลักคำสอนสำคัญพระพุทธศาสนามีอะไรบ้างพระนมแสนจะดีใจที่ได้มีโอกาสพูดกับเขาบ้างฟังอย่างเดียวมันแสนจะอึดอัดท่านวางมาศ ให้ลูกิเลื่อมใสด้วยการกล่าวนำเป็นภาษาบาลีและจึงแปลเป็นภาษาไทยว่าฉัพพปาปัสสะาการนังกุสลสูปสัมปทาสจิตตะปริโยทั ป, ปนังเอตังพุทธานาศสาสนังการไม่ทำความชั่วทั้งปวงการทำความดีให้เพียบพร้อมการทำจิตของตนให้สะอาดบริสุทธิ์นี้เป็นคำสอน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 ที่อาจารย์บัวเหี่ยวพูดไปเมื่อกี้นี้นะ่ะได้ยินท่านอ้างถึงพระบัวเหี่ยวก็ใจพองครับอกผมจำไม่ได้เลยครับหลวงตาอาจารย์บัวเหี่ยวพูดยาวยืดเลยแล้วก็ยังมีภาษาบาลีอีกด้วยผมฟังแล้วไม่ค่อยเข้าใจแต่ที่หลวงตาพูดนั้นผมเข้าใจและจำได้ด้วยครับคำตอบลูกศิษย์ทำให้หัวใจที่กำลังพองหนอของพระบัวเหี่ยว กลายกลับเป็นยุบหนอใช่ทันใดท่านพระครูรู้ถึงหัวจิตหัวใจของพระนมจึงพูดเป็นเชิงเตือนว่ายังใช้ไม่ได้นะใจที่ฟูฟูแฟบแฝบไปตามอิทธารมอนิธารมนั้นยังใช้ไม่ได้ต้องพยายามฝึกจิตไม่ให้วันไหวในโล ก, กธระทต้องฝึกอีกมากแล้วท่านก็พูดกับในต้อมว่า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 ที่หนูเข้าใจและจําได้นั้นมีอะไรบ้างละชั่วทําดีทําจิตใจผ่องใสครับเด็กหนุ่มตอบถูกแล้วดีมากจำเก่งมากเอาหละ่ะที่นี้หลวงตาก็จะได้อธิบายต่อจะเห็นว่าหลักสามข้อที่ว่ามามันเกี่ยวโยงกันคือเราจะทําดีได้ก็ต้องละชั่วให้ได้เสียก่อนการละชั่วนั้นจัดอยู่ในขั้นศีลส่วนว่าการทําดีก็คือสมาธิ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 หนุ่มน้อยเรียนตามตรงอ๋ออย่างนี้นี่เองหลวงตานึกว่าศีลเขามีไว้ให้คนประพฤติปฏิบัติซือีกที่แท้ก็มีไว้ท่องตอนใกล้สอบอย่างนั้นใช่ไหมแม้จะอายุน้อยที่สุดในบรรดาผู้ที่นั่งอยู่นะที่นั้นหากหนุ่มติ๋งก็พอจะรู้ว่าท่านพูดประชดจึงยกเหตุผลมากล่าวแก้ว่าเพื่อนๆผมเขาก็ทําอย่างนี้ครับคือท่องได้ตอนก่อนสอบ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 อ๋ออย่างนี้กระมังที่กระทรวงศึกษาเขาถึงได้ให้เลิกสอนวิชาศีลธรรมเขาคงเห็นนักเรียนไม่ชอบนั่นเองท่านประชดอีกคราวนี้ประชดกระทรวงศึกษาธิการแม้จะรู้ว่าท่านประชดหากหน่มติ้งก็แซงเออ อ, อหอหมกด้วยดีครับเลิกเิกไปก็ดีไม่เห็นมีประโยชน์อะไรเลยก็ถ้าไม่มีประโยชน์แล้วหนูมาวัดทำไมละ่ะมาวัดนี้ทําไมป้าบังคับให้มาครับอ๋อ มาเพราะถูก บ, ง บ, กบังคับเราคือติ๋งจะพูดจะจาอะไรระวังปากเอาไว้มั่งปากไม่ดีจะพาให้จมูกปลอยเจ็บไปด้วยนะข้าบดีเตือนลูกชายคนเล็กก็จริงๆนะครับป๋าพวกผมไม่อยากมาสักคนนี่ก็ต้องอดเที่ยวปีใหม่ด้วยไม่รู้ว่าจะมาทำไมข้าบดีถลึงตาใส่ลูกชายเด็กหนุ่มจึงสงบปากสงบคำลง ท่านพระครูรู้สึกสงสารคนเป็นพ่อจึงพูดขึ้นว่าเอาละหนูจะเพิ่งไปว่าป๋าเขาเอาไว้เจ็ดวันผ่านพ้นไปจึงค่อยต่อว่าไหนๆก็ถูกบังคับมาแล้วขอให้หนูตั้งอกตั้งใจปฏิบัติให้ครบเจ็ดวันลองดูนะหนูนะครับเขารับคำง่ายๆเพราะยังติดใจเรื่องวิชาศีลธรรมอยู่หลวงตาครับ ผมว่าโรงเรียนน่าจะเลิกสอนวิชาศีลธรรมกันได้แล้วผมว่ามันไม่เห็นมีประโยชน์เลยจะนิดเดียวอย่างนั้นรึหนูคิดอย่างนั้นรึแล้ววิชาอะไรล่ะที่หนูว่ามีประโยชน์น่ะวิทยาศาสตร์ครับหลวงตาเดี๋ยวนี้คนเรามีเทคโนโลยีใหม่ๆอันเป็นผลมาจากความเจริญทางวิทยาศาสตร์แต่ศีลธรรมสอนให้มนุษย์เป็นมนุษย์ส่วนวิทยาศาสตร์สอนให้มนุษย์เป็นหุ่นยนต์หนูครยดูไปก็แล้วกัน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 ผมไม่ง่วงขืนนอนประเดี๋ยวก็เข้าตำราตำราอะไรตำราสมพานยุคใหม่สิครับเช้าเอนเพนนอนเย็นพักผ่อนข้ามจำวัดดึกซัดมามา่าหนุ่มน้อยผู้มีนามว่าติง๋งต่อให้ผู้ที่นั่งณที่นั้นต่างก็พากันหัวเราะทําให้มนุกาศที่กําลังเคร่งเครียดนั้นค่อยคลี่คลายลงเอาละถ้าอย่างนั้นใครก็ได้ช่วยบอกอาตมาสิว่า ศีลห้ามีอะไรบ้างพ่อแม่ลูกมองตากันปริบปรเพราะไม่มีใครจําได้ครบห้าข้อเลยสักคนท่านพระครูจึงหันไปเล่นงานพระบัวเหียวว่าอาจารย์บัวเหียวสอนยังไงลูกศิษย์ถึงยังไม่รู้ศีลห้าตอนขึ้นกรรมาฐานไม่ได้ให้ศีล ห, หรือให้แล้วครับพระบัวเหียวตอบท่านเพิ่งให้ศีลแปดไปยกหยกอาจารย์บัวเหียวท่าน ให้เป็นภาษาบาลีน่ะหลวงตาพวกผมก็เลยจำไม่ได้นมต่อแก้ตัวแทนคนในครอบครัวงั้นก็บอกเป็นภาษาไทยก็ได้อา้าวีิห้าก่อนเลิมหมดแล้วครับหลวงตาก็น้องติงงพิ่งเรียนยังลืมผมเรียนมาตั้งนานแล้วขืนจำได้ก็อัศจรรย์เจ๊ครับนมต่อตอบเอาล่ะเพื่อไม่ให้เสียเวลา หลวงตาจะไม่พูดเรื่องให้มันเย่นเยอะยืดยาดก็จะได้อธิบายให้ฟังว่าศีลห้าข้อนั้นมีอะไรบ้างและท่านจึงอธิบายศีลห้าแต่ละข้อแต่ละข้อจนคนทั้งห้าเข้าใจเป็นอันดีแล้วจึงอธิบายศีลแปดหรืออุโบสถทศีลพร้อมทั้งสรุปให้เสร็จสับดังนี้จะเห็นได้ว่าศีลสามข้อหลังที่เพิ่มขึ้นมา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 เพราะมันจะทำให้เกิดความกําหนับกินดีในรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสพอจะเข้าใจหรื อ, อยังละ่ะท่านถามคนทั้งห้าเข้าใจครับขหะบดีตอบแล้วหนูๆละ่ะเข้าใจที่หลวงตาพูดหรือเปล่าท่านถามสามหนุ่มเข้าใจเหมือนกันครับแต่ยังไม่แจ่มแจ้งหนุ่มต้อมตอบเอาละ่ะยังไม่แจ่มแจ้งก็ไม่เป็นไรปฏิบัติมากๆแล้วก็จะเข้าใจไปเอง ขอให้มีความเพียรก็แล้วกันเอาล่ะแยกย้ายกันไปปฏิบัติที่กุติของตัวได้แล้วพรุ่งนี้เช้าค่อยมาให้อัตมาสอบอารมณ์ยังไม่ทันที่คนทั้งห้าจะลุกออกมาบุรุษสองคนก็ช่วยกันหามสาวสี่เหลี่ยมยาวประมาณสองวาเข้ามาในกุติสตรีอายุประมาณห้าสิบถือไม่กว่าทางมาพร้าวมัดหนึ่งตามหลังเข้ามาด้วยนี่ จะหามเสามาหอัตมาปลุกเจคื อ, อยังไงท่านทักเมื่อบรรษทั้งสองวางเสาลงต่อหน้าท่านและก็หยุดหายใจแรงแงเรื่องมันแปลกค่ะหลวงพ่อจตรีวัยห้าสิบวางไม่กวาดลงกราบสามครั้งพลางเอื่อนเอ่ยได้ยินว่าเรื่องแปลกข้าบอดีและบุตรภรยาจึงยังไม่ยอมลุกออกไปแปลกยังไงรโยมแม้วัดนี้มีเรื่องแปลกแปลกอยู่เรื่อย ไม่รู้ว่าวัดอื่นเขาเป็นอย่างนี้บ้างหรือเปล่าหรือว่าพระัวเฮียวว่ายังไงท่านหันไปถามพระัวเฮียวก็ไม่ทราบว่าจะว่ายังไงครับหลวงพ่อเพราะผมก็ยังไม่เคยอยู่วัดอื่นแต่ถึงจะอย่างนั้นผมก็ยังว่าวัดนี้แปลกกว่าวัดอื่นครับพระหน่มตอบเหมือนไม่ต้องการให้ผู้ฟังคิดน้อยแว่าท่านพระครูก็ไม่อยากจะคิดมากจึงถามสตรีผู้นั้นว่า แปลกยังไงริโยมเล่าให้อัตมาฟังหน่อยเป็นไรไม่แปลกยังไงครับหลวงพ่ออยู่ดีๆเ ส, สาวกพูดได้คนแบกสาวพูดขึ้นเมื่อหายเหนื่อยแล้วอ้อเขาพูดว่ายังไงล่ะท่านถามยังไม่รู้สึกแปลกเขาบอกว่าอยากมาอยู่วัดป่ามะม่วงช่วยพาไปหน่อยจะไปช่วยกวาดวัดซื้อไม่กวาดไปด้วยเป็นเสียงผู้หญิงครับ แล้วมีใครได้ยินบ้างอิชันค่ะอิชันได้ยินพูดแบบนี้สามคืนติดติดกันสตรีผู้นั้นยืนยันผมก็เลยจำใจยกมาทั้งต้นเลยต้องซื้อสาวต้นใหม่มาแทนบุตไวัยห้าสิบเศษเล่าเขาเป็นสามีของสตรีที่มาด้วยกันท่านลักครูกำหนดหินหนาก็พบสตรีร่างผอมบางใส่ชุดสีดํานั่งหมอบอยู่ตรงหน้าท่าน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 ช่วยยกไปไว้ใต้ต้นปีบหลังกุติอัตมาก็แล้วกันท่านสั่งบุรุษทั้งสองเพราะไม่ต้องการให้สัตรีเพศเข้ามาอยู่ในกุติแม้หล่อนจะเป็นเพียงวิญญาณก็ตามจะอาวาสวัดป่ามะม่วงกั้นเคร่งกรัดในวินายยิ่งนะัก ที่สาสิบเอดธันวาคมปีพุทธศักราช2516ห้าสิบหคุณนายดวงสุดาลงทุนขับรถมาวัดป่ามะม่วงได้ตนเองตามคำขอร้องของบิดาและมารดาเท่าแก่เซิงกับคุณเก็มงาออยากมาฟังพระสงฆ์สวดธรรมจักในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในมิตรในกรรมฐานบอกให้มาเนื่องจากคนทั้งสองปฏิบัติก้าวหน้ามากจนสามารถเกิดมิตได้ตรงกัน หลังจากปรึกษาหารือ ก, กันแล้วจึงแจ้งความจำงให้บุตรสาวทราบบังเอิญคนขับรถประจำตำแหน่งของท่านผู้ว่าขอลากลับบ้านเพื่อไปฉลองปีใหม่กับครอบครัวจึงตกเป็นหน้าที่ของคุณนายจะต้องสงเคราะห์บิดามานดาเป็นการสงเคราะห์ที่จะตัวเต็มใจอย่างยิ่งผู้คนมาวัดกันมากมายตั้งแต่เด็กอายุแปดก้าขวบไปจนถึงคนชาวรา และส่วนใหญ่ก็เป็นเพศหญิงพวกผู้ชายคงพากันไปกินเหล้าฉลองปีใหม่กันจึงไม่นิยมมาวัดบรรดาแม่ครัวต้องทำงานหนักเป็นพิเศษเพราะแขกเหลือทยอยกันมาไม่ขาดระยะเว้นแต่ผู้มาปฏิบัติกรรมฐานซึ่งพวกเขาไม่รับประทานอาหารมื้อเย็นเวลายี่สิบนาฬิกาทุกคนไปรวมกันในพระอุโบสถและทาวัดเย็นร่วมกับภิกษุทั้งวัดจากนั้นจะอาวาสวัดป่ามะม่วง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 Thank you.